สุขหรือทุก์เนี่ยเป็นผลที่ทำเหตุมาเราจะต้องมาสร้างเหตุการสร้างเหตุนี่สำคัญมากนะอยากได้ความสุขเราก็ต้องสร้างเหตุความสุขให้มากๆเหตุของความสุขนี่มีมากมายเราก็ควรจะเข้าใจเคยได้ศึกษามาบ้าง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 ถ้าถูกต้องแล้วก็สุขถูกต้องนี่ไม่ใช่ถูกใจนะถูกต้องนี่ต้องถูกทำด้วยถูกธรรมะเลถ้าคิดไม่ถูกต้องทําไม่ถูกต้องผลก็คือความทุกข์อย่างสมมุติว่าจิตใจเราเนี่ยอะลงมาที่จิตใจเราเลยบางคนเนี่ยจิตใจไม่แช่มชื่น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 จิตมันจะฟูขึ้นมานะนึกถึงความดีที่เราทำไว้เรื่องอาจจะฝึกสวดมนต์นะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสกควาสวดคาถาชิดบัญชรสวดพาหงุงฝึกแผ่เมตตานะี่นี่เป็นการปรุงแต่งจิตใจเราท้งนั้นเรื่องอาจจะไปพบปะกับกาลยานามิตรคนที่เรารักหรือศรัทธา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 แต่สิ่งนี้สักมันก็คืออย่าไปพึ่งอบา ย, ยามกุกอย่าไปดื่มสุราเพื่อรักษาใจสุราเพื่อย้อมใจไม่ใช่อ็น้ำปัตทุสลายสติเนี่ยอย่าไปสนใจมันมันทาจิตเราตกหนักมากยิ่งขึ้นอย่าไปพึ่งสุราอย่าไปซึ้งสิ่งเจ็บจติดถ้าจะใช่ดีแล้วก็มีอยู่วิธีการหนึ่งที่จะรักษาจิตตกในนั้น